ท่นานลาบุคัตมีบรรดาท่านพุทธบริษัทร์เม่สมาทานพัฒ น, นาไตรแล้วตอนนี้ไปพอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสงบอารม์ให้เป็นสมาธิคือในอันดับแรกขณะที่รับฟังเสียง ตั้งใจฟังเสียงให้รู้เรื่องทุกข้อยำ่ำการตั้งใจฟังเสียงทุกข้อยคําแสดงว่าจิตทรงสมาธิเพว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเวลานี้เราตั้งใจฟังเสียงถ้าหูได้ยินเสียงจิตรู้เรื่องตามก็ชื่อว่ามีอารมณ์เป็นสมาธิ ว่าท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปตามกระแสเสียงด้วยจะตามถ้อยคำเนความที่กล่าวก็ชีวว่าเป็นการใช้ปัญญาในด้านวิปันสนาญาณ น, นี่มีความสำคัญหลังจากพูดจบแล้วก็มรรดาทางพู้ตบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้จัดว่ามีอารมณ์ปิสมาธิถ้าจะใช้คำภาว น, นาก็ให้ใช้คำว่าพุทธโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอย่างนี้อารมณ์เป็นสมาธิขณะใดาที่การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้คำภาวนานั่นเป็นสมาธิสมาธิเราก็จัดเป็นหลายระดับคือคณิกะสมาธิเรยกว่าสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิใกล้ก็ถึงปฐมฌาน เราขึ้นไประดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สเพื่อรมที่เป็นสมาธิจะอยู่ในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของความดีก็จิตเราตั้งอยู่ในกุศลในบริการหนึ่งก็บรรดาทั้พุทธศาสนิเกชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในภูมิวิหารสีเป็นปกติ ว่าเราจะมีความรักในคนอื่นและศรัทธาอีนนอกจากตัวเราเสมอได้ตัวเรา <c oughs> เราจะมีความสงสารเกื้อกูลเขาให้เป็นสุขตางกำลังที่เราจะคึงทำได้เราไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือเสียกับคนอื่นเพรง ใ, ใครได้ดีก็พรอยินดีตาม ถ้าสิ่งใดเป็นเหตุเกิดมสัยเดินหน้ากดของกรรมและกฎของธรรมดาเกิดขึ้นเราจะไม่มีความหวั่นไหวในจิตเนียอารมณ์อย่างนี้ธรรมดาท่านพุทธบริสัททรงไว้ได้ก็จัดว่าเป็นศูนย์กาลังใจที่มีความสําคัญที่สุดอันจะพึงก้าวเข้าไปสู่ความดีแต่หากว่าบรรดาจิตใจของบรนดาลท่านพุทธบริสัท มีสติตรงกรันข้ามคิดเห็นว่าคนอื่นเป็นศัตรูสําหรับเรามีอารมณ์ปรารถนาในการแกล้งแกล้งบุคคลอื่นในการเสียดสีในวาจาบ้างแสดงการกายบ้างอย่างนี้เป็นต้นและมีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นไม่เห็นเขาได้ดี อดคนอยู่ไม่ไหวเห็นคนอื่นได้ดีหาทางแก่งแกล้งกล่าววาจาเสียสีกบทพืระแทกให้เกิดความช้ำใจอาการตรงกันข้ามกับควมิหังศี่แบบนี้เป็นปัจจัยให้ท่านไหลาลงอเวจีมาหานรกเมืาะว่าเป็นอารมณ์ชั่วถ้าอารมณ์ชั่วที่มันจับอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เป็นอจินตกรรม กรรมใดที่เป็นความชั่วที่เป็นในจินแต่กรรมกรรนั้นบันดาลให้เราลงเวที้มหาเมารกเจริญกุงงมแดาท่านพุทธบริจัตุกท่านจงเว้นเสียถ้าจิตเราทรงพรมีหารสีได้ตลอดกาลก็ชื่อว่าเราสามารถคุมสิ่งของเราให้ปกติอยู่ได้ตลอดสามารถคุมสมาธิให้ทรงตัวคือจิตน้อมอยู่ในเกงของกุศลตลอดเวลา แล้วคุมมีปรัชนาญานและเมื่อจิตเราเยือกเย็นมีแต่ความรักมีแต่ความสงสารปรารถนาในการเกื้อคุลมีความเยืออ่อนโยนมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาไม่ชัญญาใครมีการวางเฉยไม่หวั่นไหวในเมื่อกฎของกรรมเกิดขึ้นอารมณ์จิตก็เราก็มีความเย็นอารมณ์จิตมีความสุขเมื่อจิตมีความเยือกเย็นจิตมีความสุขอารมณ์สบายก็เกิดขึ้น เมือ่ออารมณ์สบายเกิดขึ้นสินมันก็ไม่ขาดสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็แจ่มใสสามารถพิจารณาได้ตามเหตุตามผลที่สมควรคนที่สรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ได้เป็นปกติผู้คนประเภทนั้นจะเป็นผู้ทรงชายก็ไม่ยากเพาจิตมีความดีอยู่ในได้กุศลทรงอยู่มันเป็นฌานอยู่แล้ว จะบังบคับจิตเพศทรงชายขนาดไหนก็ได้ตามอัติยาใสายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจา้าก็เป็นไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันเป็นอันดับต้นทีน่บรรดาท่านพุทธศาส น, นิกชนมาตั้งใจทำความดี ก็จงอยาคิดว่าเราจะสร้างความดีเพียแค่ความดีสามัญคือที่เรียกกันว่าทําเป็นแค่ไปอุปนิสัยอันนี้ไม่สมควรมันจะเป็นการขาดทุนเกินไปในการที่บําเพ็ญเพียงความดีอารมณ์ของเราก็ควรจะคิดว่าอย่างเลวที่สุดเราจะต้องตั้งอยู่ในประโสดาบันเป็นอย่างตำ่ำ พราะว่าพโสดาบันแบ่งออกเป็นสามชั้นเป็นหนึ่งเอเกวิชีมีรมเคร่งเครียดเป็นพระโสดาบันละเอียดสองสตตะคตูข อ, องโกรังโกละเป็นประโสดาบันอย่างกลางสามสตะะตะคตงเป็นพระโสดาบันอย่างหยาบอย่างเลวที่สุด เราควรจะคิดว่าภายในสามเดือนในหกเดือนหรือหนึ่งปีเราจะทรงอารมณ์ความเป็นเะโสดาบันไว้ให้ได้นี่ควรจะตั้งใจอย่างนี้เพื่อการจเจริญเทตกมฐานเราทำเพื่อความดีอย่าบคบกิเลสอย่าทาใจให้เป็นท่าของกิเลส มีการปฏิบัติเข้าถึงบสโสดาวบรรเลงต่ําที่เรียกกันว่าสัตขักตุงอันนี้พระพุทธเจ้ากล่าวาว่ามีสมาธิพอสมควรคือมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาที่วิปัสนาพิจารณาวิปัสนาญาณเล็กน้อยก็สา ม, มาถรถเป็นระโสดาบรรได้เพราะจริงบสูดดาบรรไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดาที่เรียกันว่าชาวบ้านชันดีถ้าพระอริยเจ้าเบนสูงเึ่งกล่าวว่าทศดาบันคือธรรมที่จะทำให้คนเป็นปะโสดาบันนันเหมือนเหมือนก็ของเด็กเล่นคือเป็นของทาง่ายๆถ้าเรามีสมาวิหารสีไปจำงใจ เราก็เป็นประโสดาบันได้แบบสบายถ้าเรามีความฉลาด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราโง่ล่อยให้จิตเป็นทาเของกิเละยังมีอารมณ์อิจฉาดิจยาบคุคคลอื่นอยากจะวีข่าเก่งข่าทำมิลายบคุคคลอื่นก็มีความทุกข์ขาดความไม่ตาปราณีมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์หวั่นไหว ในกฎข้องกรรมจริงที่ธรรมดาอันไม่สามารถจะตีเครื่องได้อย่างนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแม้โสดาบันแม้แต่เราจะเป็นคนเราก็ยังเป็นไม่ได้เพราะวิสัยเขาจิตเป็นอบายภูมิคือไปมีสัยโทาสัตว์นรกเป็นวิสัยเองเปรตไปวิสัยเขาสัตว์อสุรกายเป็นวิสัยขยขาเศรษฐีฉาน เพราะอารมณ์แบบนี้ของมรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทั้งบิสุสมันเลนอุบาสอุบาสิกาจงเว้นเสียทรงพรมิหาสีให้เป็นปกตินี่เรามาพูดถึงืการเป็นระโสดาบันตอนนี้ไปเราก็จะใช้วิธีการอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อการเป็นระโสดาบันที่บอกว่าไม่ยาก ในอันดับแรกพระมันดาทจพพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตจคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอืน่นโดยเดี๋ยวเขาไม่ไม่ไปก้าวไกลกับ จ, จริยาของใครไม่เข้าไปอิจฉาริษยาบุคคลอืน่นว่าบุคคลนี้กินมากเกินไปนอนมากเกินไป หลงในราบแจ่กาละเกินไปบำเป็ญเพียนดีเกินไปอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเรื่องนั้นเือนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าจิตเราไปยุ่งอยู่กับเขาก็สแสดงว่าเรานิยมอบายภูมอย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่งและไปเองแบบสบายจะบวพระสักกี่โกตปีมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าจิตมันเร็วสภาวะของพระของเพศเป็นพระก็จิตเป็นจิตว่าบายควบเมื่อสร้างความดีแบบไหนมันก็ดีไม่ได้คนที่มีจิตเร็วที่เป็นว่าเราจะพยายามควบคุมจิตเพราเราไม่ให้ไปยุ่งกับเริยาของบุคคลอื่นแต่ความจริงเรื่องนี้เราจะยิงกันอยู่ทุกวัน แต่ความเร็วของพวกเราเปลื่องกันได้หรือเปล่าในเบอร์การต่อไปเราตั้งใจไว้เสมอว่าจะทรงสินให้บริสุทธิ์โดยไม่ทําลายสินเองไม่ยุยงรองเสอไม่บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีให้บุคคลอื่นทําลายศินแล้วเมื่อเราจะมีจิต ยอมรับรับถือความดีขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์เราไม่จิตตรงเฉพาะพภายในฐานคือการกระทําจิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดจให้ทางแก่สัตว์ชี้ทางแก่บุคคลผู้หลงทางแนะนําบุคคลผู้มีความโง่ ถวายทายาบาลสงบูชาพระตลอดไปเพื่อทิ้ทความดีของบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นตน้นเราทําอย่างนี้ทุกอย่างเราไม่หวังผลในการตอบแทนในปัจจุบันเรามีความต้องการอย่างเดียวคือสร้างความดีเพื่อสู่ผลิพานเมื่อรมที่กล่าวตามมานีจะเห็นว่าเปรนลมที่ต่ำมาก แต่ท่านทั้งหลายก็จะลืมอารมณ์ที่ล่าวมานี้เป็นอารมณ์บระโสดาบันโพระสตาขัดตุงคําว่าสตาขัดตรงก็หมายความล้เราเกิดเป็นมนุษย์กิจชาติก็จบกิตเป็นพระราหันได้เพาะว่าท่านหลายจะถามว่าเอาสมาธิอิจมาจากไหน ก็ยังต้องตอบว่าถ้าหากว่าท่านนังหลายคิดถึงพระพุทธเจา้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสงฆ์ว่าท่านนังหลายทั้งสามประการนี้มีความดีหาประมาณไม่ได้เราขอยอมรับรับถือความดีของพระพุทธเจา้าโดยจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างและจะเว้น คำห้อยคำห้ามพรามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ปฏิบัติทุกอย่างแล้วเราก็ยอมรับนับถือพระอารียสงสากวกเพื่อท่านมีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสองสนแล้วท่านปฏิบัติตามเป็นความดีที่เดินส่งความบริสุทธิ์มีจิตเป็นสุขมีอารมณ์เป็นสุข อย่างนี้ข้ออะไรก็รว่าช่ำเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝา่าฝืนข้อห้ามแล้วก็พยายามปฏิบัติตามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํา <c oughs> ถ้าว่าวรนใดท่านพุทธบริษัทหลายคิดอย่างนี้ไว้เป็นปกติถึงแม้ว่าท่านจะไม่กำหนดรูลมให้ใจเขาออกท่านจะไม่ภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆ ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิในพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรมฐานสังคานุสติกรมฐานตัวจิตเราทรงตรงอยู่ในความดียอมรับนับถือความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นองค์สมาธิที่มีความสำคัญแค่ที่เรานั่งพาวนา เพื่อจิตสงบเฉพาะเวลาแต่พอลืมตายก้นมาก็ปล่อยอลมลอยไปในสถานที่ต่างๆเป็นปัจจัยของความชั่วคือไม่ยอมเคารพในศีลไม่ยอมเคารพในธรรมที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการหลับตาสักแสนปีหรือโกชาติก็ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์มันมีอย่างเดียวคืออารมณ์ส่งความดีตอนนี้เมื่อในเมื่อยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นปกติให้เรายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องส่งศินห้าและศินของตอนเองให้บริสุทธิ์ระมีศินสองรี่สิบบริสุทธิ์เมนมีสินสิบบริสุทธิ์ คระว่ามีสินห้าบริสุทธิ์นี่เราว่าเป็นขั้นโทสุดาบันสำหรับศินแปดนั้นเป็นสิ่ของพระอนาคามีในเมื่อเรามีสินบริสุทธิ์สินนั้นบรรบริสุทธิ์ยากถ้าลมใจเราต่ําถ้ามีอารมณ์เลวสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีอารมณ์เยือกเยน็นหรือมีอารมณ์เป็นน้ําไม่ใช่มีอารมณ์เป็นไฟ ทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องมีใจประกอบไปด้วยความรักเห็นคนเละสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมดจิตจิตตั้ประกอบได้วยความกรธณาความสงสารเห็นคนเละสัตว์เราเห็นว่าทุกท่านเป็นคนที่เราควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดตามกําลังที่เราจะถึงทำได้อารมณ์จิตเราจะอ่อนโยน ไม่วันไหวไม่ในความชั่วลอยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ชา้าดิสิยาบบุคคลอืน่นแอบอารมณ์อิจฉาดิสหยาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของสัตว์นรกมันมีด้วยความร้อนอารมณ์ที่มีจิตอิจฉาไม่ดเสีสยาใครเป็นอารมณ์เยือกเย็นเป็นอารมณ์ของสวรรค์เป็นอารมณ์ของพรมเป็นอารมณ์ของพรนรพริพพาน แล้วเราก็ม <mister ius> ีร <Kelvin and grace fictional> ูเบคหายานหมายความว่ารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ถ้าพรมวิหารสี่มีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นหาความเลวไม่ได้มีแต่ความดีการที่จะคิดฆ่าสัตว์ชีวิตก็ไม่มีเลยจิตเพราะเรามีความรักเรามีสความสงสาร การจะรักจะขโมยเขามันก็ไม่มีคิจะยื้อแย่งความรักของบคคลเองก็ไม่มีการกล่าวว่ายาไม่จริงก็ไม่มีว่ายาหยาบก็ไม่มีป้าจยาส่อเสียดยุยงส่งเสริมรม่ลมอิจฉาสิยาบุคคลอื่นก็ไม่มีแม่ว่ายาเพื่อเจริเพื่อเจริเหลวไหลไร้ประโยชน์ก็ไม่มี นี่เป็นอันว่าการทรงพเมรุหานศีธรรมตนให้เป็นประสูดาบันได้ง่ายแลยก็แถมใจอีกนิดหนึ่งว่าเราต้องการพนธุน์พนมีการที่เราคิดอยู่ว่าเราจะทรงศิลปห้าให้บริสุทธิ์ือทรงศิลปประจำเพือให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นศีลาโนสติกรรมฐานถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้ก็ชื่อว่า เรามีชาในศีลานุปกติก ม, มัยฐานถ้ามิถึงพระพุทธธรรมะสองอยู่เป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในอนุปกติสามนี้หากว่าเราคิดถึงตั้งใจงอยู่ในพร ม, มิหารสีนักสิบรายการเป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในพรมิหารสีอิจแนมไปถึงผลิพานเป็นอาถมก็ชื่อว่าเรามีชาใน อุะสมานุสติกรรมฐานเป็นอนุว่าอารมณ์แห่งการถึงประโสดาบันขั้นต้นมีเพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงเข้าใจว่าการเป็นประโสดาบันเป็นของไม่ยากคนดีเป็นง่ายคนเลวเป็นยากเพราะถ้าว่าคนเลวมีสัญญานาบัยภูมิผิดมา กะย่อมไม่เห็นคุณค่าของความเป็นประโสดาบนันโดยการปฏิบัติความดีเพียงแค่เล็กน้อยและต่อจานี้ไปข้ามันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงจำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยใสยัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา